เรื่องเจริญสติโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปร่วมจัดทาโดยปนสกรหนูสันเทียสิทธิชัยหนูสันเทียทัญยอ น, นพัทลุงจิตติมาเดอวีรากรพรพิทักษิตทิตาลีกิรติพักดีพง์เจริญสติวันนี้ก็จะพากันทำความสงบสักนิดหนึ่ง ให้พากันตั้งใจตั้งใจรวบรวมจิตใจของเรามารวมไว้กับตนเองและสละละทั้งอดีตอนาคตหมดเสียหลับตาเบาๆแล้วก็น้อมจิตเอาไว้กับลมหายใจเข้าออกนึกว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครมาอยู่ด้วยตนเองการทำสมาธิให้จิตนิ่งสงบจะเป็นลูกเป็นหลานสามีภรรยา ไม่ต้องสนใจกับใครทั้งนั้นพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของตนเองอยู่จิตใจมันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาหาลมหายใจเข้าออกมันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาอย่าทำใจร้อนทำใจเย็นเย็นค่อยเป็นค่อยไปการประพฤติปฏิบัติคือการอบรมจิตใจถ้าหากเราประคับประคองอยู่บ่อย ตั้งใจปฏิบัติอยู่บ่อยก็ทำให้จิตใจค่อยสงบลงสงบลงเพราะเรามีศรัทธาเต็มที่แล้วจิตใจของเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติการอบรมฝึกหัดตนเองนี้ทำให้เกิดความสงบความสุขครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างพวกเราถ้าหากพวกเรามีความตั้งใจ เรียกว่าเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้พวกเราสามารถที่จะฝึกอบรมจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้ก็ขอให้ทุกคนหายใจสบายสบายหายใจให้ล่โล่งหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจสบายเราอยากสบายก็หายใจให้สบายสบายตั้งกายให้ตรงตรง ดำรงสติให้มั่นแล้วหลับตาเบาๆใช้สติสัมปะชัญญาควบคุมดูแลจิตใจมันออกไปก็อย่าร้อนใจดึงกลับขึ้นมามันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาเรามานั่งเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลอันยิ่งใหญ่ทำให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขใจเราก็ควรตั้งดู สังเกตควบคุมอย่างนั้นเพื่อเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นิ่งๆลองดูไม่ต้องไปคิดอะไรว่าอย่างง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรจะให้จิตใจของเราอยู่กับกรรมฐานอารมณ์หายใจเข้าออกที่สบายๆตั้งกายให้ดีๆนั่งดีๆประครับประคองเอาไว้ถ้าหากเราสามารถประครับประคองไว้ ใจของเราจะนิ่งอยู่หลวงพ่อทำกรรมฐานถ้ายังไม่สงบดึงกลับขึ้นมามันออกไปดึงกลับขึ้นมาเอาอยู่อย่างนี้หละเดี๋ยวมันก็จะสงบเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอดีตอนาคตให้ปลดปล่อยหมดไปเสียอย่าเอามายุ่งในที่นี้ให้อยู่เ ง, งียบๆลองดูสิเหมือนเราไม่คิดอะไรคิดดูลมอย่างเดียว ขอฝากญาติโยมให้เข้าใจเรื่องจริตเลือกกรรมฐานที่ถูกจริตของตนเองคนเรามีจริตหกอย่าง 1. ราคาจริตคนรักสวยรักงามก็มีทุกคน 2. โทสะจริตคนที่ชอบโกรธง่ายพูดอะไรนิดๆหน่อยๆจะโกรธง่าย 3. โมหะเจริตหลงมากหลงน้อยก็จะมีทุกคน 4. สศรัทธาเจริตเป็นผู้เชื่อง่ายย่ายินอะไรเชื่อไปหมด 5. พุทธิเจริตคือคนศึกษามากดูตำรับตำราพุทธศาสนาเรียนมาทางโลกทางธรรมะก็ดีเรียนพระอภิธรรมหรือเรียนพระไตรปิฎก แต่ฝึกจิตใจจากความไม่สงบ 6. วิตกจริตคือวิตกวิจารว่าจะเอาข้อกรรมฐานข้อไหนดีจึงจะทำให้จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิได้ง่ายมาดูจริตของตนเองเป็นจริตอะไรถ้าราคะจริตเป็นคนรักสวยรักงามไหม เพลงดูของให้เข้าใจมีเก่ามีสกรปรกมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเป็นไม่สวยไม่งามได้เป็นเครื่องแก้พวกราคะจริตเนี่ยให้เจริญอสุภกรรมฐานโทสะจริตต้องเจริญเมตตาเป็นข้อกรรมฐานแก้ของบุคคลที่มีจิตใจโกรธง่ายคนที่ชุนเฉียวง่าย โมหะจริตต้องอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์ไปถามครูบาอาจารย์เข้าใกล้ท่านท่านจะแนะนำหนทางให้ศรัทธาจริตเป็นคนเชื่อง่ายให้เชื่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธโธธรรมโมหรือสังโฆข้อใดข้อหนึ่ง พุทธิจริตคนที่ศึกษามามากแต่ฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบต้องเจริญไตรลักษณ์เป็นข้อธรรมกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิวิตกจริตคือต้องตัดสินใจว่าจะเอากรรมฐานข้อใดมาปฏิบัติต้องปฏิบัติลองดูดีๆเอาสักห้าเดือนหรือหกเดือน ทำจริงจังไม่สงบเราจึงเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานใหม่เพราะทำกรรมฐานไม่ถูกเจริตนิสัยของตนเองปฏิบัติถึงสิปีก็ไม่สงบตรงนั้นลระสําคัญให้เข้าใจในเจริตของตนเองว่าเป็นเจริตชนิดไหนบางคนก็เจือไปทั้งราคาเจริตโทสะเจริตปนกันแต่ไม่รู้ต้องมีทางหนึ่งหนักกว่ากันก็เอาตัวนั้นไปเจริญภาวนา เป็นการคิดแก้ปัญหาในการทำสมาธิตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่รบกวนญาติโยมที่ไม่เคยได้อ่านหนังสือทางไปสู่ความสงบของอาตมาก็จะไม่เข้าใจคือการมาฉันทะนิวรจะมีความเพลิดเพลินไปดูหนังดูลิเกละครได้ฟังเพลง อยากสนุกสนานรื่นเริงนั่นกามชันทะนิวร น, นั่งสมาธิจะไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรื่องรบกวนจิตไม่ให้สงบเป็นสมาธิพยาบาทนิวร น, นั่งเข้าไปนี่คิดโกรธเกลียดเคียดแค้นกันมาหลายปีจะบุกไปตีไปฆ่าเขาอยากให้เขาล้มเขาตาย เวลานั่งสมาธิจิตใจยังจะไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเราจึงเข้าใจแล้วพยาบาทนิวรณมันเกิดขึ้นภายในจิตจิตจะไม่สงบรบกวนอีกอันคือถีนมิทานิวรณบางคนนั้นพอนั่งสมาธิเข้าไปอยากนอนอยู่นั่นเหมือนไม่ได้นอนสักที พอนั่งเข้าไปก็จะหลับจะงกลงถ้าเราไม่นั่งสมาธิตาชื้นคุยกันสามชั่วโมงก็ไม่หลับพอนั่งสมาธิมันง่วงอยากหลับต้องแก้ปัญหาให้รู้จักว่ามันกวนจิตไม่ให้สงบต้องปลุกให้ชื่นขึ้นให้เลื่อมใสพระรัตนตรยัยเลื่อมใสครูบาอาจารย์เพื่อจิตใจชื่นขึ้น มันเป็นอย่างนี้่อนง่วงเหงาหาวนอนแก้ยากไม่ว่าพระว่ายมแก้ยากพระพุทธเจ้าท่านจิงตรัสว่าพวกเนี้ยเคยเป็นงูเคยเป็นพญานาคมาหลายชาติชอบจะนอนมันก็เลยนั่งสมาธิแล้วจะหลับทันทีเลยอุตจักขุกุจจานิวรคงจะมีทุกคน จิตฟุ้งซ่านไม่สงบต้องใช้สติสัมปะชัญญะตามจิตของตอนเองไล่ตามตลอดจนไปติดอะไรเวลานั่งภาวนาอยู่มันไม่สงบคิดไปนั่นคิดไปนี่คิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดไม่ได้อะไรมันก็คิดไปเรื่อยๆอยู่นั่นจิตใจมันจะไปติดที่ใดที่หนึ่งไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งตามไป มันติดบ้านอยู่เวลาเรานั่งสมาธิมันไปติดทำไมบ้านนั้นไปยุ่งกับมันทำไมต้องเอาสติสัมปชัญญะไปขู่จิตมายุ่งกับบ้านทำไมจิตที่ควรขูต้องขูพระพุทธเจ้าท่านสอ น, จ, นอจิตที่ควรคมต้องขมจิตที่ควรยกย่องต้องยกย่องให้ศึกษาเรื่องนี้ด้วย จิตที่ควรขูคือจิตฟุ้งซ่านไม่สงบต้องไล่ต่างขูมันไปติดอะไรจิตที่ควรขมคือจิตเป็นสมาธิต้องประคองจิตไว้ให้ดีอย่าให้ออกจากสมาธิไปข่มไว้ควบคุมดูแลเอาไว้จิตที่ควรยกย่องเนี่ยควรเข้าใจ มันอยากนั่งสมาธิอยู่บ้านหรืออยู่ที่ใดอยากนั่งอยากปฏิบัติถ้ามีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงจริงๆรรีบ ป, ปฏิบัติระยะนั้นกำลังมีศรัทธาเนี่ยจะสงบเป็นสมาธิเร็วมากเลยทีเดียวเพราะเขากำลังมีศรัทธาต้องรู้จักตนเองว่าเออเนี่ยกำลังมีศรัทธาถ้ามารออีกสองชั่วโมงมันขี้คร้านเสียก่อนสมชั่วโมงเนี่ยจะนั่ง บอได้นั่งแล้วเวลามันอยากนั่งให้โอกาสกันนะสามีภรรยาหรือลูกเต้าผู้ใดต้องการทำความสงบเวลามีช่องว่างไม่ลำบากอะไรให้โอกาสทำความสงบกันบ้างในเชียงใหม่เนี่ยมีลูกศิษย์อาตมาเป็นหมออยู่โรงพยาบาลประสาทอ่านหนังสืออาตมาทำจิตใจให้สงบมีความสุขมาก ออกจากสมาธิแล้วมานั่งกินสุกผัวไม่รู้ว่าเมียตนเองมีความสุขนึกว่าเมียจะเป็นบ้าไปกวนเมียเวลาเมียนั่งสมาธิได้40สิบกว่านาทีจะไปกวนเมียไปเคาะประตูรบกวนเขาเดี๋ยวนี้ก็ปลดเกษียณแล้วมีความสุขหลายทุกวันนี้ปฏิบัติเขาว่านอนหลับสบายเลยมีความสุขพ่อบ้านจะไปไหนช่างมัน เป็นผู้ว่าไปจังหวัดไหนก็ปล่อยมันไปบ่สนใจพ่อบ้านจิตใจสงบมีความสุขนี่ตัดเจริดวิตกวิจาร์ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวร์สงสัยเอ้นั่นสงสัยเอนี่ไปหลายที่ญาติโยมคงจะไปหลายวัดเอายุปหนอพองหนอหรือจะเอาสัมมารอารหัง หรือจะเอาพุโทโธหรือจะเอามรณานุสติหรือจะเอาเอะไรพอเรานั่งเข้าไปไล่กรรมฐานวัดนั้นวัดนี้อยู่ถึงสามชั่วโมงมันก็ไม่สงบพอดีให้เอากรรมฐานอย่างเดียวเราไม่สงบต้องเลิกต้องเอาอันใหม่ถ้าเอากกรรมฐานข้อใดจิตใจสงบดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานอย่าไปเปลี่ยนฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้ว เรียกว่าถูกจริตจนจิตสงบเป็นสมาธิไปเปลี่ยนอีกไม่สงบนะเราจะทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิดีแล้วจึงไปฟังด้านปัญญาที่จะละกิเลสไปฟังได้หมดทุกองค์พระเพิรจะเทศแต่ละองค์ละองค์เพินจะมีเทคนิคในการละกิเลสของท่านจะอธิบายให้ฟังนั่งรับฟังหมดแต่เวลากําลังทําสมาธิ ทำให้จิตใจสงบมันถูกจริตของตนเองแล้วต้องเอาข้อเดิมเข้าทางเดิมเหมือนขับรถนี่แหละเราชำนาญเข้าซอยไหนก็เข้าซอยนั้นไปซอยอื่นเข้าหลังบ้านมันไม่เหมาะสมเข้าบ้านเราได้นะเปรียบเทียบอย่างเนี้ยทำสมาธิเหมือนกันอัตมาเนี่ยทำเหมือนกันนะ่ะแต่ก่อนก็เอาพุโทโธทมโมลองดูเอ๊ะ มันไม่สงบก็ยังไม่ได้บวชพอมาบวชก็เอาลมหายใจเข้าออกไม่ถึงเดือนน่ะสงบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอันนี้เองถึงจะได้ปฏิบัติก็เลยสอนทางนี้ถ้าหากว่าญาติโยมได้กรรมฐานข้อใหม่ก็ไม่เป็นไรก็เอาได้แต่อยากให้จิตใจสงบเป็นสมาธิก่อน ก็เหมือนเราเข้ามาในห้องนี้แหละเราเข้ามาได้หมดไม่ต้องถามกันว่าประตูหน้าต่างพัดลมอะไรอะไรต่างๆมันเข้ามาสงบอยู่ในห้องนี้แล้วบัดนี้การวิจัยเป็นเรื่องปัญญาของใครของมันเรื่องละกิเลสอาตมาอยากให้ทำอย่างนั้นมาปฏิบัติอย่างนั้นมาศึกษามากแล้วก็เอามารวมกันปฏิบัติทุกองค์มีเทคนิคคนละเทคนิค ที่จะลากกิเลสอยู่ในใจของตนเองวันนี้เรามารวมดูแต่ละองค์เดินทางคล้ายๆว่าเราเข้ามาในกรุงเทพขึ้นรถไฟไปทางใต้ทางเหนือทางตะวันออกทางตะวันตกต้องเข้ามาทางหัวลำโพงหมดกรุงเทพอยู่ที่ไหนนี่ล่ละกรุงเทพถึงหัวลำโพงอย่างนั้นละ่ะกรรมาฐานคนละข้อมาคนละทาง แต่เข้ามาถึงจุดสงบเป็นสมาธิเหมือนกันหมดแต่อย่าไปติเตียนว่าวัดไหนเข้าเอาอย่างใดเป็นเรื่องของวัดท่านก็อาจารย์เข้าสงบแบบนั้นให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะไม่ขัดข้องกันเวลาไปปฏิบัติอัตมาขอฝากญาติโยมไว้ คำโปรยปกหลังการฝึกฝนอบรมจิตใจต้องทำจริงก็จะเห็นของจริงทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นความสงบการที่เราเสียสละไม่ยุ่งเหยิงกับอะไรนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการปฏิบัติ